พระธรรมเทศนามโหสศจาดกจ่อมปราณแห่งมิถิลาภุกที่สามฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปางมิฉลาดเรียบเรียงม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียนทำพหกปริยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายอะโม ตถาภะกัวโตอะระหโตสมมาสัมปุท tha อะเทกาอิทธิกังปุนตคมาตาญาติสัตว์ดุรา สปูริตาตั้งหลายตั้งนิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟผาธานาไข่ไก่กาไปรอดเพียงแก้วยอดเนระปาน มีใจบานจมชื่นย่อมือยืนฟังธรรมจุงดาจําติดต่อตามบาทคอบาลีวะเทกาอิทธีนางนี้เป็นต้นบัตนี้แดเตอ อาทาในกานั้นเล่ายังมีนางหนุมเนานารีกิดจะมีจองหอยจิงอุ้มลูกน้อยเตียมตนเดินเตียวหนมารอถึงที่จอดโบครณีอันหน่อมูนีตีไว้เหือสั่งไว้ดีงามนางนงรามมาจอดก อ, อยังจอดเศร้าเ้าเอาบุตรตาลูกลา นอนไหวบนผ้าเดียวได้แล้วพันภายลงอาบตีตาราบวังท่านบ่อปอนานแต่ใสมีนางยักใหญ่กาลีกือยักขีนี้อย่าปลายเตียวต้องภายพดมามันสัตตาพอก้อยหันเด็กอ่อนน้อยเยาววัยนินมีใจใครได้ เอาไปเลี้ยงใสตัวมันจริงเรียวปั้นกระเป็ดจากยักษ์เพชใจพี่กลายเป็นนารีหนุ่มเนาแล้วก่อเท่าเข้าไปทซึ่งนางนองรามผู้แม่อันอยู่แก่วังทานว่ากุ ม, มาร น, น้อยอ่อนงามจะจนเปิ่งแป้งปูนดีแยงแต่เล่าเป็นลูกเต่านางจา นางแม่จา่าตอบตาว่าแม่นลูกคาดีเลนักขี่ีจะาต่อว่าคออุ้มพอสกักคำยักดงดำใจถอยก็ อ, อุ้มเด็กหน่อยบัดเดียว เรอลีปเปรโอเต้วกว่าไปไปนาสับปันดนังแม่หันดังอันหัวใจสั่นราสายร้องวายว้ยล่นไล่ก่อไปรอดไกลตัวตันจะเสียงนั้นเอินดาว่ายิ่งหยาบจ้าจังไรเป็นสันไดใจเศร้าลักลูกเต้ากูนียักกินีตอบทอยว่าเป็นลูกน้อยตอนกู ยุงมาดูที่บ่อแม่นตีมึงจากกูเกิดมาแต่ใส่เลี้ยงมาได้ปีปายมึงไล่ได้จุเปาว่าเป็นลูกเต้าในตน เ้าสองคนต่อถอยมีบ่โนยนานาก่อพดมาตีไกาสาลา่เชียงจินอันนอมมนินกินกู่กับตั้งหมูปริวานพงศรรันเล่นอยู่นางตั้งกู่เล่งหันก่อพักกันบอกเล่าให้แกเจ้าจูพักกันนอปโปธิญานน้อยนาตก่อความเร็วไว ว่าหญิงคนใดเป็นแม่ลูกเกิดแต่ตมมาหญิงคนหนึ่งนะบ่ใจเป็นยักษ์ถอยไรตารุนทะแหลงตมกะเป็ดเป็นน้อยเนตรนารีละคานาบีบอกไว้หือห้อหูไข้สัญญาคือบ่พับตาสักกาตามันหากดูแดงกำจะแข็งบ่ผ่อ เงาบอหนหันมีนอหมูนีตีไว้แม่นหูวไขสันได้เพื่อหันใส่แจ้งทีือเสียงตีสังกาแก่คนนำนาบวนหมูอันมาแวดอยู่เล่งหันจริงเร็วปั้นเอาไม้ขีดดินไว้เป็นไม้เอาเด็กใจหน่อยอ่อนนั่งกลางห้อยบอนบนดิน เธอนางหนึ่งถือตีนเด็กไว้หือคนหนึ่งนั่นใส่ถือแขนเจ้าคำแสนออกปากว่าสู่จุงลาจิงกันผู้ถือพันบอพรได้เด็กอ่อนไว้ยหน้าคนนั้นน่าเป็นแม่แม่เมนเตียงแต่ดังคานิงตังสองหญิงหนุ่มเนาฟังคำเจ้าไข่ปัน ก็จริงกันบ่ปล่อยลากเด็กน้อยไปมาส่วนเด็กขานั่นใส่ก็ร้องไห้ไหวไหวย้อนเจ็บลายเลือแหล่นางผู้เป็นแม่เลือใจก็สว้ามือไปบ่จ้าเหตุกวลูกลาเมื่อมอนส่วนยักดงดอนถอยไรก่อหลากเด็กได้บัดเดียว แล้วรีเพรียวอุมกอดดังลูกหยอดสายตาหนอพุทธาหยอดซอยจริงก้าวถอยจะทำซึ่งคนหลลามน่อยใหญ่อันมาแวกไก่กองตาว่าหัวใจมันดานันเล่าฮักลูกเต่ารอมแตงหรือว่าใจแข็งห้าวหาดบอกกลัวลูก้อยกัดบําบายคนตั้งหลายก่าวแก่ ว่าหัวใจแม่มานดานย่อมคุณนะจองหอยฮักลูกน้อยเหลือตนกลัวลูกตาร้นร้อนไหบลูกกลัวลูกใดเครื่องขี้ หนอบมูนีถามต่อว่าสู่จุงพอเล่งไปว่านางคนใดนั่นเล่าเป็นแม่แห่งเจ้าเด็กขานางผู้วางลาแล้วให้หรือนางผู้จริงใดดังใจเขาก็ไขตอบเล่าว่าแม่แห่งเจ้าเด็กขาคือ น, นางผู้วางลาลาไว้แล้วร้องให้ดีดีย้อนนางมีใจอ่อน อกสะต้อนเววนกลัวลูกตนอ่อนน้อยจักกัดก้อยมมรานาเจ้าก็จะทำเล่าว่านิงหนุ่มเน่าขิงรามวันนางงามแต่ใสจริงเด็กใดดังใจมันเป็นไัยต่างเตจมาจากเขตใดเจ้าเขาก็จะก่าวแก้ว่าบา่แน่เป็นไัย มาจากไหนบ่แจ้งบ่หูแห่งแกหาหนอพุทธากาวจี้ฮือแจ้งทีตามีว่าเป็นยักษีนีภายเป็ถ้าแหลงเป็ดเป็นคนเปื่อเอาตนเด็กอ่อนไปสู่บอลแดนปันในดองตันป่าไม้เปื่อเอาเลี้ยงใส่ดีดี เจ้าบุญมีทำเล่าสัยั์บาปเศร้าปาลาวากำกูจะาเป็นแกนหรือบ่แม่นสันได้นังยักไข่กาวแกว่ามีเตียงแต่ตามกำรรเจ้าก็จำยักถอยอคืนเด็กน้อยตาเขียวแกแม่มันเรียวบ่จ้าหันต่อหน้าคนหลายยักษผีพายบาปเศร้า ก็ตามกำเจ้าสับพันเจ้าก่อสอนมันหื้อหูหื้อตั้งอยู่ตามธรรมว่าอยากกระทำกรรมหยาบอันเป็นบาปติดตนแล้วหื้อหนนคืนสูญยังตีโอยู่แดนมันจุ่มคนหันและหูต่างเหล่าใครจายยอพระญาแห่งเจ้า เลือตัวเต้าแดนไก่ก็มีหั่มเละนา้าตนั้นไปไปนาบ่อเนินจ้าหึงนานมีใจตกผ่านคนหนึ่งใสจือมันบอกไว้ว่าโกตะกาละเป็นทารา ย้อนมีกาญาเตียต่ำวันณาซ้ำดำลายมันคงควายก่อสร้างคมรับจางกระทำการหึงเมื่อนานแต่ใสนับว่าได้เจ็ดวัาสาจิงได้พารหยญาคนหนึ่งเล่าจือ่อนางนอนเนาตีคาตาหะเลยนะ ทัดนั้นมาบอจ้านางดอลาเบียมันมีใจพันกึดแพรถึงป่อแม่วงยายอันอยู่ไกลแต่สดหลายสิบหยดกันน า, น า, นามันก็ดาแต่งไว้ยังเรื่องใจขวใบตั้งปัดใจเขาน้ำของอื่นพร่มจูอันอันจวนหัวมันกาพาก ออกไปจากเคลื่อนตนตั้งสองคนเตี้ยวไตไปรอดฟังน้ำไยเหลือตาผัวมันนั่นนาเตียต่ำซ้ำยา น, น้ำเหลือลาย <c oughs> จักพันไายลอยกว่ากวาความนาดับพันนางเมียมันใจต่ำก่อยาน้ำน้ำ น, ำนาต่างเวว่วาพัดแผ่บ่อจางแก้สันได จิงอดใจหยอบยั่งอยู่ใกล้ฟังนาทีทัดนันมีใจขี่ไร่มีจือไว้ว่าตีฆะปิธิเป็นหมย้ย้อนมันสูงหลายลำหมอกใจสอกอกปาลามันเตียวมาตีไกเลงหันใสสองขามันก็จะทำเล่าว่าสู่จกักไตเตาไปไหน หัวเมียไข่กะอูเหอมันหูตามีใจกาลีสกกอกแสงบอกมุสาวน้ำนี่นาลึกขนาดเจ้ยวลาลาดเหลือแหง้งจักเขแฝงลี่อยู่ตั้งเงือกหมูงูงอนคนเที่ยวจรต่างเตดกันลงสู่เขตนาตีสัตว์ไรมีมวนหมูย่อมหลังลูมาไว บอกมีไผ่น้อยใหญ่จักขามใดดังหมายย่อนสัว์ร้ลายอาจกาเว้นไว้แต่คาคนเดียวเหตุเคยเตียวบอกผ่อนตั้งแต่ก่อนเมื่อมาสัตนาาน่อยใหญ่หัวจักคาไข ว, าวังทานผัวเบี้ยผ่านฟังแล้วใจฟ่องแผวนินดีจริงไครวาตีิบอกเรา ว่าขอต่านเจ้าคุณนาดำขาสองขาคำน้ำหือหลวงลำอนตาายใจพี่พายถอยไรก่คำรับใจบัดเดียว <c oughs> ผัวเมียเรียวบอดเจ้าจวนใจต่างนาปลาลากินโพจะานาข้าวน้ำของวันพัมตามีกันบัวระมวนดีผอมนา ใจหยาบจจหลังยาวมันหันสาวหนุ่มเนาใจาไม่เอาปีญามันแสงจ้าทำเที่ยงผัวเมียจี้ตามใจ ว่าจะาเอาคนใดไปก่อนฮหือป้อนบอนอุนตารายผู้ผัวไมยปงขาดอนุญาตวางปันว่างหือป้าเมียมันไปก่อนกันป้นบอลวางใส จ, จุงเร็วไว้หวายนาะ เอมันข้ามกว่าจอมหลังใจสูงยังใจสูงฟังแจ้งที่บีใจกี่สมมนัสจาก้อนางดาเมี่ยนไขยังเครื่องใจขวใบ มันเร็วไว้บอดจ้าหือนางนั่งบนบาตัวมันแล้อภายพันรีพาวลงสู่ดาวนาทีใจากาดีบาปเศร้าแสงคุกเขา่าพันพายส่วนว่าใจเตีต้ยต่ำซ้ำยันน้ำน ำ, น, ำนาหันกับตาแจ้งที่บอมีตีสงสยัยว่านำ้ำลึกเลือใจแต่ใส่ใ จ, ใจสูงใหญ่เตียวไป เราหันใส่ที่แจงน้ำเปียงแห่งคอตัวมันเราจักภายพันุ์เตี้ยกว่าย่อมความนากลางหอนย้อนว่าตนเฮาตำเตียงจมนำดีดี ใจกะลีสูงใหญ่บอ่อขืดไข่ต่างวายมันอูบายคุกเข่านำนังหนุ่มเนาเตี่ยวไปถึงกลางน้ำไหลแม่กว้างก่อเกาอ่างกำงามวาดูราสีนงรำดอเบ้าผิวบ่อเศร้าโสผ้าบาปสังจามาซ้ำได้ใจต่ำเป็นผัวบ่อสมตัวสักกาก พอแล้วหากปูนอายซ้ำตุกลายบ่ห่างหากินจางตั้งวันกันสี่สุพันหยอดซอยใจบอ่ห้อยติดพันละตัวมันไว้นี้ไปอยู่จอมปีแดนไกจักสุขใจคำเจ้าบ่หม่นเศร้าเสียสีส่ปีมังมีหลายหลากเข้าของมาถมนา ตัวต่างดาแต่งยองตามใจน้องผะสซง์คือแหวนทามารงใส่กอยกับตั้งสายซอยสังว า, อาลอลังการลายซา ม, มีพร้อมพัม ด, ดีตั้งตาสีน้อยใหญ่ขามอยู่ใกล้อาสานางังปาละนุ่มเนาฟังใจบาปเศร้าจากใครลวดมีใจหลิงดูจมจื่นสู้ยินดี ทางไขว่ตีตอบถอยด้วยคำอ่อนอ้อยนาหน้าต่างสิเนหาหหญิงลำกันป้นน้ำนาตีก่อป้ากันหนีบ่อจ่าบ่าอไหนนาขึ้นมา ส่วนใจากายากำกี้อยู่ฝังนี้เล่งหันเสียได้เบียมันนักแก่เล่นพัดแผ่เวว้นแล้วกโจนลงน้ำบ่ออาจย่ำเที่ยวไปรีเปลวไวขึ้นฝังใจบากังเดือลายว่ากูจักตายความนาก็ตามกว่าที่มันจริงเร็วปั้นรีพาวจนลงดาววางังใส เล่นตวยไปไว้ว่องก่อแจ้งส่งกับตาวาน้ำนันนาหากตื่นพอหันปื้นดินซ้ายกันผ่านผายปานน้ำก่อเล่นซ้ำตัวไปบ่นอนเต่าใดแต่ใส่ก่อไปรอดไกตวยตันวันเร็วปั่นร้องดาวาดูระใจหยาบจ้าปาลาสันใดจ้าบาปเศร้า หลักเมียหนุ่มเดากูมาใจาป่าลสุงใหญ่แสงโคตรไม่เดือนลายวาดูระใจเตี้ยต่ำตัวดำกำเสมอกา <c oughs> สันได้จ้าใจาโหดมาใส่โตต้อตอนกูจุงมาดูเฮอที่บ่อแม่นตีมึงจะมันเล่นมาตีไก่กำคอไว้บัดเดียว สัตว์ไปเร็วบอดจ้าโตกลางย่อมยาดินทรายส่วนว่าใจเตี้ยต่ำก่อเทียงซ้ำลายหวนว่าแ ม, ม่นเมียตนแต่ใส่กูกระตำการใดเจ็ดปี จิงได้นารีหนุ่มนาวเป็นกูเฝ้าแปลงปันต่างเที่ยงกันบอ่อผ่อนก่อไปรอดบนลศาลาอันนอพุทธกินกูพงจอดอยู่กับสหาย ตามนิงใจไปรอดยังที่จอดหนอหมูนี้ก็ใไขว่าตีบอกเล่ากองเ้าตัดความเฮือถูกตามแบบเบารอยริยดเก่ากองทรรม เจ้าองค์คำน้อยนาจบชาลาดเหลือคนก่อหือป่าปรีวานตนมวนมากเอาสามคนภาคไกลกันแล้วเรียวปั้นทำเล่ายังใจบาปเศร้าตัวสูง ว่าจื่อแห่งลุงนันไสมีจื่อไว้สันได้มันก็ไขตามสื่อบอกอยังจื่อตามมีนอโมนีทาต่อว่านาั่งนอภริยาจุงบอกมาคือแจ้งยังจื่อพ่อแม่แห่งนิ่งนางอยาได้วางเว้นไว้บอกคือไขตามมีใจกาลีไปหูก็กอบอกอาจอูเดวัย โอ isty, ints, ้าก็ใจสอดดันดักอยู่หันเบนานใจบอบ้างจมื่นก็บอกจื่อื่นตามเพื่งทำใจแอวเลิงเบียนแล้วเจ้าตนแก้วหนอตะสปนก็หฮือปารีวานตนแต็มไว้พ้อเสียงไขวจู่กำกำแล้วถามใจตัวดำแถมเหล่าว่าตั้งแต่เก่าเดิมมา มีจื่อสั่งจาจุงจี้ฮอแจ้งทีเรียวไวมันก็ไขเกาอู่ฮือเจ้าหูสับปันนอคุณท่นานทำต่อว่าจื่อนั่งนอปริญา ตงวงซาพ่อแม่มีจืดแต่สันได้มันก็ใครเก่าแก่บอกจืดแต่บัดเดียวเจ้าตาเขียวบุญใหญ่ก็ฮือเต็มไว้เร็วไว้แล้วถามนางหลายใจหนุ่มเนาว่าจืดนางเล่าสั่งเจาตั้งวงซาพ่อแม่มีจืดแต่สันได้นางก็ใครเก่าอ เออเจ้าหัวสับปันนอคุณท่านทมต่อว่าผัวนั่งนอคิงรามีจือน้ำสั่งเล่านาั่งใดอยู่เฝ้าปัดปัวตั้งเจอพ่อผัวแม่ผัวจุงจี้ฮอแจ้งทีตามมีนางกาลีไปหู้ว่าจือ่อใจจู่สันใดตั้งสายวงใหญ่พ่อแม่ ก็บอกหูแน่ตันพิงกึศขาดิ้งสอดดันดักอยู่หันเบดนานจริงจาขานจื่อนแก่เจ้าคำเมื่อนตามเพิงเกาะมีหันแลยนะเจ้าบุญนา้อยนาดก่อหูขาดในใจว่าใจคนใดนั้นเล่าเป็นพวเก่าเดิมมาย้อนกำจ่าเก่าแก่แม่นเตียงแต้หันใส่ ใจคนใดเป็นจู้ย้อนกำอู่ไขปันบอ่อสมกันสักญาติเป็นคนห้าวหาดปาลาเจ้าก็จากเกาจีเฮือแจ้งทีตามรายสอนอย่างใจสูงใหญ่เฮือหูไข่กองดีคืนนารีหนุ่มดาวเฮือผัวเก่าไปปันจุ่มคนหันและหู ต่างจืนสูวใจบ้านสาธุการสเเสาสาัสานัันดาวแดนไก่ก็มีหันแนหนอา <c oughs> ทัดนันไปบอดจ้ามีใจต่างนาแดนไก่ขี่รถไปจอดไว้ในตีไกโบกคารณีลงคัดสีอาบน้ำลอยเล่นซ้ำไปมา คุณอินตาเจ้าฟ้าลิงพ่อนาจุมปูหันนอสปัญญูน้อยนาจบชาลาดเหลือคนจักยกตนแห่งเจ้าหือคนเล่าลือไก่จริงเร็วไวรีพาวซาเด็จจากดาวเมืองสวรรค์เดรบิดพันบ่จ่ากับเป็ดนาเป็นใจ แล้วพันภายไปไกลก่าววารถนี่ใหญ่ดูงาม่าขอจ้ำขี่พอเฮอแจ้งต่อตาตนแล้วขึ้นนั่งบนไวแว่นขี่รถเล่นไปปัน เจ้าของหันเล่นใส่กันไปรอดไกลกองตาก่อเอื้นจาร้องด่าว่ามึงหยาบจาทำใจมัวดำโลกใหญ่ลักรถกูได้นี่มา คุอินตาตอบแทงว่าเป็นรถแห่งตนกูจุงมาดูให้กาใจบ่ใจจักหันต่างเทียงกันต่อท้อยมีบ่โนยนานาคนนำนาน้อยใหญ่มาแวดไก่ใหญ่ใหญจริงนำสองใจไปสู่ยังที่อยู่สาลาเปลือกนอพุทธานยอดซอยได้ก่าท้อยตัดความ เจ้าขิงรามสั้นพอก่อนแจ้งต่อในใจว่าใจคนใดนั้นเล่าเป็นเจ้ารถเก่าเด ม, มาคนหนึ่งบ่อพับตาสักกาพอแล้วหาควรนอํา ละกานางามแต่ใส่ที่ยังบอใจเป็นคนรอยเตวาบุตตนบุญใหญ่หรือเตะปะไทยอินตาท้าแหลงเปดมาเป็นแก่นคือเตียงแม่นสัต์จังหนอปุทธทังเกิดแล้วใจพองแผวยินดีจริงใครวาตีบอกเล่าว่าฮือสู่เจ้าสองคนก็รถตนฮือ น, น เจ้าถือรถแล่นไปไว้กันคนใดบ่าอาจลวดส่ามือหยาดลงมาคนนั้นนะบ่ใจเจ้ารถใหญ่สัจจังคนใดยังบ่ปล่อยอาจก็หอยตัวไปบ่ใจภัแต่เล่าเป็นเจ้ารถเก่าดีลีกันไขวาตีเบียนขาด เจ้าน้อยนาดหนอตสะปนก่อหือสองคนนั่นใสก็รถไว้เร็วไว้หือสะหายเตรียมใจผู้แก่นขับรถเล่นไปมาหันตันตาแต่เ่าเจ้ารถเก่าเป็นคนเจ็บปวดตนเสียงไข้เหือยน้อยไหนเป็นสายก่อสว้ามือใหม่วางปล่อยบ่ออาถอยนั่นไป เจ้าจอมต้หันแล้วใจพองแผวเลือลายจิงื้อสหายแก่นใจยุดรถไว้บัดเดียวแล้วจ่าเหลวเก่าจีืฮอแจ้งที่ตามรายว่าอันว่าใจผู้ปล่อยบอ่อาจ้อยนันไปบ่ใจภัยแต่เหล่าแม่นเจ้ารถเก่าเดิน ม, มาส่วนผู้ได้นาบ่ปล่อยก็อจ้องหอยสุดปลาย บ่ใจใจโลกลาเป็นคุณเจ้าฟ้าอินตาเหตุบ่พับตาสักเต้อบอ่มีเหือตามตอนนอตาสะปนลก่าวแลว้วก็ถามตา้าตนแก้วอินตาว่ากำเราจะเป็นแก่นแม่นบ่แม่นสันได้คุณอินตาไขบอกเล่าว่าแม่นดังกำเจ้าดีลี เจ้าบุมีต่อถอยว่าเจ้าหยอดซอยเมืองบนท้าแหลงตนกระเป็ดมาด้วยเหตุสัง้าคุณอินตาตอบเล่าว่ามากำเจ้าเจียงคานแถมสมปานเอกวางเอคนอ้างหลือไก่กันจากไข่เมียนจอเต้าเจ้าหยอดอินตาก็สัมแดงกาญาต่อหน้า สยหยองขึ้นฟ้าปลายบนหื้อหมู่คนน้อยใหญ่ได้หูวว้ไข่เล่งหันแล้วรีบพันขึ้นสู่ยังตี้อยู่เมืองสวรรค์จุมคนหันแลหูวต่างจื่สู่เจบ้านสาธุกการมีกองไปไข่ห้องอานาะก็มีวันนั้นและนะา เนธิตังขีญาสังวันนาณวิเศษจาห้องเหตุมโหสถผูกทวนสามจะดกงามบาดซอยยังไปซอยสุดปลายยังยาวลายนักแก่เดียวพ่อแม่เอาอานั่งฟังมาแต่เจ้า จากปวดเข่าสันลังจิงนีนที่ตังเตาอีเตานี้ก่อบังกรมสมริจเสร็จแล้วเตานี่ก่อนแล